ความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านทุกฝั่งทงั้งหลายแต่รมพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงอธิบายขยายความในประเด็นที่ท่านแปลว่าทรงมีพระพุทธสันดานทรงพระคุณคือพระหัตตมรรคญาณอนาครานปวงกิเลสเป็นสมุจเจตปาหานหาเศษบอาไม่ได้ต่อไปนะฮะวันที่แล้วเนี่ยได้พูดมาจนถึงระดับที่เรียกว่า สกิริยาคามีมรักษ์สกิริยาคามีพุต่อไปก็เป็นเรื่องของพระอนาคามีพระอนาคามีนั้นก็นอกจากสังโยชน์สามข้อข้างต้นแล้วเนี่ยศีลของขั้นสมบูรณ์สมาธิทัานสมบูรณ์คือพระญาบุคคลสองสองประเภทแรกเนี่ยศีล ส, สมบูรณ์แต่สมาธิยังไม่สมบูรณ์เพราะฉนั้นพระญาบุคคลประเภทที่เข้าสมาบัติได้เนี่ยมันนับจากพระอนาคามีขึ้นไป ก็แสดงว่าพวกข้าสมาบัติได้ก็คือพระอนาคามีพระอราหารันตพระปฏจเจกาพระพุทธเจา้าพระอหันัสสมมาสัมพุทธเจา้าพวกนี้เข้าในรสสมาบัติได้แล้วก็การเป็นนาคามีแปลว่าพวกไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วเมื่อท่านตายไปแล้วนะท่านจะบังเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาตรระดับรูปฌานนะฮนะรูปประพรม คือพวกพรมเนี่ยมันจะเกิดด้วยภูมิของรูปประชาน4สี่เป็นรูปประชาน4สี่อยู่สิบเอ็ดชั้นด้วยกันแล้วก็เป็นทรานาคามีเสห้าชั้นรวมแล้วก็สิบหกชั้นทีนี้พอที่จะเริญไปถึงรูปปัจจันรก็จะบังเกิดในรูปประพรมพระนาคามีนั่นจะบังเกิดในพรมโลกชั้นสุดทาวาร แล้วท <Latin. S 2> ี nhưng, truth, us, the Minister, the ่จริงก็เป็นรายละเอียดที่น่าศึกษานะฮะคือหมายความว่าการบําเพ็ญเพียรของคนเราเนี่ยตัวตัวตัวอินทรีย์ตัวอินทรีย์ธรรมะห้าข้อเนี่ยมันจะเป็นหลักคือยิ่งหยอดไม่เหมือนกันบางคนศรัทธาแก่กล้าบางคนวิริยะแก่กล้าบางคนสติแก่กล้าบางคนสมาธิแก่กล้าบางคนปัญญาแก่กล้าเวลาบังเกิดเวลาตายไปแล้วเนี่ยท่านจะบังเกิด อย่างเช่นเขาเรียกว่าอาวิหาตปาโสทศาโสทสีกานิฐาพรหมโลกก็มีอยู่ห้าชั้นอินทรีย์ก็มีอยู่ห้าการจำแนกพบที่แตกต่างกันเพราะกำลังของอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นไม่เหมือนกันวันปัญญินทรีย์อินทรีย์อีซีคือปัญญาที่สูงสุดเนี่ยมันก็นำไปสู่พรหมโลกชั้นสูงสุดรูปประพรมชั้นสูงสุดคืออาการิตภพ สตินรีแก่กล้าก็บังเกิดในชนาตินวิหาวิรินสีวิรยินทรียแก่กล้าก็อตปาปาสตินรีแก่กล้าก็สุทัศนะวิรินรีแก่เอไม่ใช่สมาทินรีแก่กล้าก็สุทัศ ส, สีอะไรเนี่ยก็เป็นการแสดงภาพลักษณ์ซึ่งซึ่งซึ่งโอกาสในต่อไปก็คงจะอีกหน้านนะนะกว่าจะถึงผู้เชา่าศัตรูเนี่ยก็น่าจะมาศึกษารายละเอียดในแต่และเรื่องกันอีกทีหนึ่ง เออท่านละการมราคะคือความกำหนัดในกามความกำหนัดในกามเนี่ยมันมีอยู่สองสองประการนะคือหมายความว่ากิเลสเป็นเหตุให้กำหนัดมันมีอยู่แล้วก็เป็นการกำหนดค่าของวัตถุที่เราสัมผัสทางประสาสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายเลยแม้แต่เนีวนึกมาด้วยใจนะตอนนี้นมีท่านตัดไอตัวกิเลสกามเนี่ยมันได้ วันท่านจึงไม่มีความกำหนัดรักใคร่พอใจติดใจสยบติดในอารมณ์ทั้งหลายแม้จะมีทรัพย์สมบัติเป็นกดแสนโกธอะไรก็ตามนะสำหรับท่านมันก็มีค่าเหมือนกับแผ่นดินคือจะไม่ไปกำหนัดยึดติดในสิ่งเหล่านั้นแล้วสมมติว่าท่านเป็นเศรษฐีท้วคนมาขนสมบัติของท่านไปนท่านก็ไป่หวาอะไรแต่ข น, นก็ขนไป เพราะจิตใจไม่ค้่องในอารมณ์ทั้งหลายให้ลองสังเกตว่าไม่ถึงใช้กรรมกรมาสันหรือกรรมหรือว่าพวกที่รุนแรงนะฮะพวกกรรมไปตกอะไรแต่ะจะไม่ใช่อย่างนั้นได้ใช้กรรมมาหลักะแปลว่าความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่แต่ว่าตัวความใคร่มันมันดับ ไอสิ่งที่คนใครมันยังอยู่อ่ะนะมันดับไปไหนไม่ได้แล้วมันก็อยู่พระพุทธเจ้าก็อยู่ท่ากลางอารมณ์ตรง น, นั้นก็ไม่ได้แปลกอะไรนะคือเราไม่ให้ความสําคัญแก่มันมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าปัญหาในบ้านเราเวลานี้ที่น่าวิตกมากที่สุดเนี่ยมาออกต่างจังหวัดอยู่เรื่อยปัญหาอยาบ้า ก, กับปัญหาโรคเอดแล้วปัญหายา ก, กรรมเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยที่ว่าดีมันก็ถ้าถามชาวบ้านแล้วมันไม่ดีขึ้น แต่เราคนในประสบปัญหาเศรษฐกิจเกิดปัญหายาร่างเกิดเด็กออกจกกโรงเรียนเด็กต้องประกอบอาชญากรรมผัวเมียก็ต้องแยกย้ายกันไปโอ้โหมันมันมันตูเดือดมากเลยแล้วก็นำไปสู่ปัญหาอิสารพัดซึ่งเรามองในแง่องความเป็นจริงว่ายาบ้าเหล่านั้นมันก็อยู่ไกลตัวเราตั้งเยอะนะเราวิ่งเข้าไปหา มันมีลักษณะแค่ๆกับหมูวิ่งก็ไปหาปังตอคือปังตอมันอยู่ของมันน่ะเราวิ่งไปชนมันเองยาบ้าก็ดีโรคเอก็ดีเนี่ยเราฟังแล้วมันนึกไม่ออกว่าทําไมไม่ควบคุมจิตใจเอาบ้างนะมันไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วก็พูดได้คือว่าเราก็เคยเป็นเด็กมาเหมือนกันเราเคยเป็นเด็กแล้วก็ผ่านวัยต่างๆมาเหมือนกันเวลามองเนี่ยมันนึกกลับไปถึงว่าตัวเองอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจะทํางงอย่างนั้นไหมอย่างเนี้ย มันก็มองกลับไปตัวเองในจุดนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าพูดเมื่ออายุตั้งมากแล้วนี่คืออะไรคือเรื่องของการมราคะเป็นความกำหนัดความพอใจในสิ่งที่ตนใคร่นะกรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเสพกรรมอย่างเดียวนะฮะหมายถึงอะไรก็ตามวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยวัตถุกรรมก็คือสิ่งที่เราสัมผัส ด, ด้วยประสาททั้งห้านะฮะเรียกวัตถุกรรมก็รวมถึงถึงอารมณ์ที่เราเนี่ยนึกจด น, นึกไปใน ใ, นใจด้วย พระนาคามีธนระได้ขาดแล้วก็ปฏิฆาคือไม่ต้องพูดถึงโกรธพยาบาทไอโกรธพยาบาทมันไปนานแล้วนะแต่นี่ก็เรียกปฏิฆะคือปฏิฆาคเนี่ยมลักษณะยังไงละ่ะหงุดหงิดรําคาญเบื่อหน่ายต่อคนในรำคาญคนอะไคือรู้สึกหงุดหงิดรําคาญนะฮะมันไม่ถึงกัโกรธเกลียดไม่ถึงก็จะลงไม้ลงมืออะไรกับใครหรอกแต่ว่ามารำคาญนะท่านตัดได้ท่านไม่รําคาญ แล้วก็จะมองคนเหล่านั้นด้วยความสงสารเช่นสมมติว่าคนส่งเสียงหรือกระทึกคลุกโคอะไรต่ออะไรเนี่ยทะเลาะวิวาทกันนั่งไปแซวคนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เห็นภาพเหล่านี้มันก็เห็นแต่ว่าเมื่อท่านไปลดไอตัวปฏิฆะลงเนี่ยใจมันกลายเป็นอาโทสะคือไม่ประทุสรายแล้วมันก็พัฒนาขึ้นไปเป็นเมตตากรุณา ก็มองสงสารคนเหล่านั้นที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปไปทำบาปทำอาคุศลต่างๆ ต, ตัวนี้พระนาคามีถลัดได้แล้วก็จนมาถึงพระอรหันต์นะฮะต่อไปในพระอรหันต์สังโยชน์เนี่ยเขาเรียกสองระดับระดับห้าข้อแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ําก็เรียกโอรัมพาคิยาสังโยชน์สังยชนเบื้องต่ําและเบื้องต่ําก็สาหัสนะฮะ แล้วก็อุดทำภากยาสังยุสังยุตเบื้องสูงถ้าฟังลองสังเกตเบื้องต่ำมันก็โลกกฎลงนะฮะแต่มันละเอียดลงเท่งนั้นเองไอ้เบื้องสูงอีกมัน ก, มนก็มันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นหลงก็คือรูปราคาค่กับอรูปราคะค่ารูปราค า, ารู ป, ปราคะเราเคยเจอมานะคือถ้าอยู่ในที่อื่นไม่ได้เรียงลําดับอย่างนี้จะต้องจับประเด็นได้ได้นะดูที่อยู่เขาด้วยธรรมะเนี่ยต้องดูที่อยู่ที่วางอยู่ตรงไห น, น มันไม่ใช่ว่าจะความหมายอย่างนั้นทุกทีคือถ้าใช้ในที่ทั่วไปเนี่ยก็หมายความกิเลสประเภทการมาราคานั่นแหละมันพอใจติดใจในรูปมีความกำนัดความเพลิดเพลินความพอใจอยึดติดจนอาจจะต่อสู้ปราดารานกันเพื่อได้รูปที่ตนเองต้องการแต่พอมาเรียงแบบสังโยชน์เนี่ยเขาเรียงแบบจิตที่มันละเอียด รูปประราค่าในที่นี้มันก็เน้นไปที่รูปประชานคือพอใจติดใจในรูปประชานอย่างเช่นอาลาดาบทุธกดาบทเนี่ยอาจารย์พระพุทธเจ้าในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ธรรมดานะฮะไม่ใช่มือธรรมดาแต่พอใจท่านกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในรูปประชานของท่านในรูปประชานท่านเหล่านี้คือถึงรูปประชานทั้งคู่นะะคือยึดติดในฌาน ในฌานเนี่ยท่านอธิบายว่าความสุขระดับฌานข้อที่สองเขาเรียกทุติยฌานเนี่ยมันมีปิติสุกเอกอากะตาแปลว่าเป็นความสุขที่มันดื่มดำ่ำหวานใจยิ่งนะสุขที่เราไม่สัมผัสด้วยด้วยด้วยด้ว ย, ว ย, ว ย, วยเรื่องอย่างเรื่องอย่างอื่นนะโล ก, กวัตถุทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถจะให้ความสุขระดับรูปฌานได้เราะมั้นเป็นความสุขที่อธิบายไม่ได้คนที่อธิบายได้ก็คือ อธิบายไม่ได้อีกนะฮะหมายความคนที่สัมผัสได้ก็คือคนที่บรรลุรูปฌานแล้วนั่นเองเพราะโอกาสที่จะติดเนี่ยมันจึงมีง่ายแต่แนวคนรูปฌานมันคล้ายๆกับกับเกานะก็แค่คันคือต้องเกาอยู่บ่อยๆรูปฌานมันก็นั่งหลับตาภาวนากันอยู่เรื่อยๆโลกมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็หลับตาภาวนากันไป บางคาังบางคราวก็มีในพวกฤาษีทั้งหลายเนี่ยท่านติดป่ากันอยู่ในป่าเพราะท่านกำนังเพลิดเพลิพพนพอใจที่จะอยู่ที่จะเป็นที่จะทําในลักษณะนั้นประการต่อไปรู ป, ปราคะถ้านในที่อื่นเนี่ยติดสุขทั้งหลายเนี่ยติดสุขกเวทนาทั้งหลายเนี่ยพอใจกับความสุขที่ได้อยู่ได้คุยได้พูดได้นั่งได้อะไรก็แล้วแต่นะ ในสุกเวทนาทั้งหลายแต่ในที่นี้หมายถึงรูปฌานหรือไม่พอใจไม่สยบติดอยู่ในรูปฌานแล้วต่อไปก็เป็นมานะมานะในที่นี้ที่จริงละเอียดลงแล้วนะมานะตรงนี้ละเอียดแล้วแต่ว่ามานะจริงๆเวลาพูดถึงเรื่องมานะเนี่ยมันเป็นกิเลสประเภทที่พูดกับเขายาก น, นะฮะ คือหมายความเอาตัวเองนี่เป็นศูนย์ให้ความต้องการแก่ตัวเองเป็นศูนย์เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นแล้วก็ไปมองตนเนี่ยเทียบเคียงกับคนอื่นบางครั้งเราเสมอกับเขาก็ไปเกิดมาณเกิดถือตัวเราเสมอกับเขาเราเลิกกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ากว่าเขาบางทีเราก็สูงกว่าเขาก็คิดว่าเราสูงกว่าเขาเราเสมอเขาเราก็เร็วกว่าเขาหรือบางทีเราก็ต่ํากว่าเขา เราคิดว่าเราสูงกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็ ก, กว่าเขาก็กลายเป็นมานะก้าประกาศมันเป็นอาการของกิเลสคือซ้ำเติมตัวเองบ้างแล้วก็อะไรเขาเรียกว่ายกหังตัวเองบ้างไงนะฮะก็เรียกอะไรนะโบราณเดยยเขาพูดว่าไม่มีคานหามเอามือประสานก้นหมายความว่า ก็พยายามที่จะยกย่องเชิดชูตัวเองขึ้นแต่ว่าระดับนี้ไม่มีแล้วนะฮะอย่างนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือการดูถูกดูหมิ่นคนอื่นยกตนข่มท่านดูหมิ่นคนอื่นตีเสมอคนอื่นกดขี่คนอื่นแล้วเห็นว่าสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่คือที่จริงไม่ใช่สังคมไทยนะสัตว์โลกก็เป็นอย่างนั้นเองคือจะรู้สึกว่าตัวเองนี่เหนือกว่าคนอื่น คือใครจะว่ายังไงเมื่อมาพูดอยู่เรื่อยเพราะว่าเรามีความรู้สึกนะะเราเป็นคนต่างจังหวัดเรามีความรู้สึกเราอ่านหนังสือแล้วเอ๊สังคมเนี่ยมันแปลมันทําไมดูหมิ่นกันตอนเราสังเกตว่าแม้แต่ละครเดียเ่ยวนี้บ้านเมืองมันจะเริ่ก้าวหน้ามาถึงตอนนี้ดูละครดูทัดก็ได้นะอ่านหนังสือนวนิยายอะไรต่างๆก็ได้พระเอกนางเอกนั้นแม้จะเป็นคนต่างถิ่นก็ต้องพูดภาษากลาง จะแสดงฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอยู่ภาคกลางแนวกรุงเทพเนี่ยนะแต่คนใช้เนี่ยจะเป็นคนภาคเหนือบ้างภาคอีสานบ้างภาคใต้บ้างส่วนใหญ่จะภาคอีสานไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทําไมมองกันอย่างนั้นทําไมจะต้องขีดเขียนออกมาในลักษณะนั้นนั่นคือแสดงว่าอาติมานะนี้อยู่ในตัวเองสูง แล้วก็เขาเรียกว่าดูหมิ่นญาติตัวเองแต่ถ้าเรามองในแง่สังคมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะเวลานี้คนต่างจังหวัดมาเป็นใหญ่เป็นโตอยู่แม่แต่คณะรัฐม น, นตรีเนี่ยฮะสสนี่เราเห็นว่าคนต่างจังหวัดก็มากกว่าคนในกรุงแล้วแม่แต่ว่าสสในกรุงก็เป็นคนที่มาจากทางจังหวัดได้ซ้าไป นั่นก็คือเรื่องของอัติมานะที่มันสร้างปัญหาให้เกิดเกิดขึ้นกับสังคมดูถู ก, ถกดูหมิ่น น, นักกีดกันกันแม้ในวงการพระเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าจะเห็นชัดเจนเลยนะถ้าเอาชาติของพระมาวางเรียงกันจะเห็นชัดเจนว่ามันเกาะกลุ่มกันขึ้นเลื่อนขึ้นไปเป็นแถวย้อนหลังไปอีกตั้งยี่สิบสาสีปีก็ได้นะมใครเอาตํานานไ อ, ไอ้ชื่อประสังคติการทั้งหลายเนี่ยมนเรียงลองดู เป็นเรื่องที่น่าสลดนะ่ะน่าสลดถดถูมาแต่ก็สัตว์โลกก็ไปตามกรรมก็อย่างนั้นนะพระอาหารหันนี่ท่านตัดตรงนี้ขาดแต่ที่จริงมานาระดับนี้มันขาดตั้งแต่ปัศสุดบันั่นแล้วแนะมานาอีกระดับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกอธทิมานะมันเป็นการสำคัญผิดความหลงผิดเข้าใจผิดเพราะว่าจิตมันสงบจากกิเลสแล้วก็ อาจจะคิดว่าตัวเองมนุษย์มรผลเป็นเบระยบุคุนไปแล้วตัวนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะฉะถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะท่านจะไม่ปราะบบาตเขาเรียกอานะทิมาณะนั่ก็จะผิดจริงๆนะฮะมีพระเภระรูปหนึ่งอยู่ที่เกาะลังกานะได้อภิญยาที่เป็นโลกิยาท่านเจริญสมาธิอยู่เรื่อยกิเลสท่านสงบ แต่ว่าลูกศิษย์ของท่านชื่อเหมือนผู้หญิงนะชื่อว่าพระธรรมทินนาท่านก็กาหนดรู้แนะาอาจารย์ยังไม่เป็นหรอกก็มาคุยกับท่านก็ลองให้ท่านใช้อภิญญาเนี่ยใช้อภิญญานิรมิตเป็นดอกบัวสวยงามต่างๆได้แล้วก็เิรมิตให้เกิดเป็นนางงามเกิดขึ้นในดอกบัวสวยๆตอนนั้นไม่มีอะไรฮะท่านดันยังเรียม พอให้นางงามเกิดไร้รำไร้รำไว้ช บ, บช บ, บ, บชบฉบอยูบบบ่เรื่อยๆท่านสังเกตเห็นท่านท่านสังเกตที่จิตท่านเองนะเอจิตเราแปรแปรผันไปมีความพอใจมีความคิดติดก็รู้ตัวผิดอ่ะผิดพลาดก็นั่งจะเิญมีปัสชนาตรงนั้นหลยบรรลุมรรคผลเป็นพระหัตถ์เมื่อมาถึงจุดตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันต้องตรวจสอบด้วยตัวเองนะคร แล้วก็เราพบบ่อยในพระัมพีเนี่ยพระไปเจริญวิปั ส, สนาก็ mm ีย hmm. กเจริญ mm hmm. บำเพ็ญสมณธรรมในป่าเนี่ยที่กิเลสสงบแล้วท่านก็นึกว่าท่านบรรลุมาผลแล้วก็มาเพื่อจะฟาดเราคนเจ้ า, พา mm hmm. เพื่อรายงานผลจากการปฏิบัต mm ิ hmm. พระเจ้าจะรู้นะว่าใครเป็นยังไงถ้าว่าเรียบร้อยดีก็ปล่อยเข้ามาถ้ายังไม่เรียบร้อยก็ส่งให้ไปป่าชาติท่านก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าต้องมีพระประสงค์อะไรสักอย่างหนึ่งถึงให้เข้าไปป่าชาติ ก, ก่อน ไปถึงป่าช้าไปเจอซากศพไปเจออะไรเข้านะฮะท่านก็เกิดความรู้สึกแปรเปลี่ยนไปนเรื่อยๆรือกลัวบ้างหรือดังเกียจบ้างก็อยากแกล้งบ้างเกิดพอใจติดใจในศพที่ตายสุดๆอยู่บ้างก็เห็นว่ามันไม่ใช่อ่ะก็นั่งตรงนั้นแหละก็จะเริยนในศาสนาอันนี้ดีอย่างนะคือว่าพอขึ้นไปถึงจุดนี้ไม่ได้มองที่อื่นจะแก้ไขตรวจสอบที่ตัวเอง แต่ว่าถ้าเรามองสังคมให้ลองสังเกตสังคมเราจะไปตรวจสอบคนอื่นอย่างโครงสร้างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยตรวจสอบแต่เพื่อนเยอะไม่หลายคณะอะไรตรวจสอบคนอื่นคงจะปวนกันอีกนานน่ย น, นะเพราะคนเรานี่มันโทษตนเองเห็นได้ยากคนโทษคนอื่นเนได้ง่ายธรรมชาตินะฮะแล้วพอมีอำนาจให้มอง ให้มองจับโทษคนอื่นแล้วเนี่ยแกต้องแสดงพลังอํานาจออกมาคือจับโทษได้ได้ถ้ามองเห็นโทษไม่ได้แล้วก็มีปัญหาแล้วอัตตาขยายขึ้นอันตรายนะฮะอันตรายที่ว่าคิดแต่จะตรวจสอบตรวจ ส, สอบเนี่ยพอไปยืนในจุดตรวจสอบคนอื่นแล้วใจมันไม่ปกติแลอวมันเกิดอัตตานุทิชิขึ้นมามันเกิดอหังการ ม, ามังการขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกเยอะเลย ทมให้พิเคราะห์ตรวจสอบตัวเองให้ดีแต่ก่อนแล้วก็เพียรเอาได้ง่ายๆอ ย, ย่งนี้แล้การต่อไปก็คืออุทธจั ก, จกมันเป็นความฟุ้งที่ไม่ใช่ฟุ้งสั้นมากต่อครหมายความว่าใจยังไม่ส ง, งบเต็มที่นั่นเองเพราะไร้พระวิชามันยังอยู่แล้วก็จนถึงจุดหนึ่งก็คืออวิชากวิชานั้นเป็นการถอนรากหง้าวของสัพ์ไปกิเลต ท, ที่ท่านบอกว่าเป็นสมุดเฉดตประหารหาเศษบไ่ได้เนี่ย สมุเจก็คือตัดขาดปหานะก็คือการละโดยการตัดขาดตัดขาดโดยไม่เหลือเชือ้อเขาเรียกว่านิพานเป็นความดับโดยไม่มีเชือ้อหมายความว่าจะไม่งอกขึ้นมาอีกต่อไปไม่ว่าจะไปเจออารมณ์อย่างไรก็ตามนั่นก็คือเขาเรียกว่าพระพุทธสันดานนะคือนามพระไถ่ของพระพุทธเจ้าที่หลังจากศัสรุรุคืออรหันต ธรรมกยานทำหน้าที่เป็นแสงสวาง่างขจัดความมืดปอดเือวิชาออกไปประทัยของพระองค์ก็มีความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมอวิชานั้นมันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการเจริญอริยมรรคการทํำลายวิชานะฮะมันเกิดวิชาขึ้นมาคือหมายความอริยมรรคเนี่ยพอเขาสมบูรณ์เต็มเปี่ยมเขาเรียกมรรคสามังคีคือผันึกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ย มันจะเกิดเป็นพลังมาศารแล้วกลายเป็นแสงสว่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ขจัดความมืดบอดภายในใจลงหมดทุกจุดไม่ว่าเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องทั้งอดีตอนาคตเรื่องกฎของประแจการอะไรแต่ไหนขจัดได้ทั้งหมดเขาเรียกสัมมาญาณนะแต่ว่าในพระบาลีจะเรียกเยอะเรียกชื่อหลายชื่อเลยกัน สรุปแล้วว่าคือวิชาที่ทำหน้าที่กระจัดอวิชชาทรงสแสดงรับสั่งเล่าแก่โพธิราชกุมารว่าดุกก ร, ราชจ้กุมารเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ความรู้ก็เกิดผุดขึ้นภายในใจของเราแล้วก็บรรลุพยานอย่างที่เราเคยพูดมาในบทอื่นนะ ท่านฟังลองสังเกตว่าตอนนี้เป็นการแสดงถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณกับพระปัญญาคุณนีเป็นหลักเพราะปัญญาในเป็นเกิดกับกับบริสุทธิ์เป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์แต่ว่าทุกๆข้อเนี่ยมันมีครบทั้งสามอย่างเพียงแต่ว่าท่านต้องการเน้นอะไรแต่นั้นเองคือม่ายัางเคยมองชื่อคนไทยเราในปัจจุบันพระตั้งส่วนมาก หรือว่าข้างนอกก็พวกมารเรียนในตั้งส่วนมากมันจะออกมาในการสะท้อนปัญญาบริสุทธิ์กรุณาเมตตาการุณาของคนล่านั้นออกมามันจะตั้งชื่ออะไรเช่นสมมติว่าชื่อปราณีอย่างเงี้ยก็แสดงในแนวของกรุณาบางทีก็ชื่อกรุณาไปเลยด้วยชื่อมุทิตาไปเลยนะฮะชื่อว่าเมตตาไปเลยอะไรเนี่ยเราธรรมะมาเป็นชื่อคน เพื่อให้เกิดจิตสํานึกว่าเราเนี่ยมีชื่ออย่างนี้แต่ว่าการกระทํ า, า, าของเราการพูดของเราความคิดของเราเนี่ยเหมาะสมแก่ความเป็นผู้มีชื่ออย่างนี้หรือไม่เพราะชื่อแต่และชื่อเนี่ยมันจึงแฝงคุณธรรมเอาไว้ให้เกิดสํานึกสําเนีกที่จะเป็นอย่างที่ชื่ออย่างที่ก็ตั้งชื่อให้เป็นเชนะ่นว่าสมณะเช่นว่าสมณีเช่นวุาบาสกปสิการเนี่ยแต่และชื่อมันเป็นการสะท้อนธรรมะออกมา เพราะ ง, งาั้นคุณธรรมล่า น, นี้บางครั้งได้ข้ออธิบายจากข้างในอย่างในกรณีนี้อธิบายจากข้างในคือเอาพุทธสันดานของพระพุทธเจ้ามาเลยว่าบริสุทธิ์หมดจดยังไงอะไรทําให้บริสุทธิ์หมดจดคือตัวอรหัตมัคคยาทําให้บริสุทธิ์หมดจดพรบริสุทธิ์หมดจดจากอะไรก็คือบริสุทธิ์หมดจดจากพวกสัพพิกิเลต ท, ทั้งหลายเรียกชื่ อ, อยังไงก็ช่า ง, งหมดไปอย่าง ไม่มีส่วนเหลืออะไรหยุดเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเราก็คงประกอบประกอบด้วยประคุณทั้งสาเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ตรงนี้เน้นที่ปัญญากับบริสุทธิ์แต่ว่าเอาบริสุทธิ์นําก่อนนะะบริสุทธิ์นำก่อนแล้วก็ขยายเข้าไปสู่ปัญญาหมายความเอาผลก่อนพูดเอาผลมาพูดก่อนแล้วก็ในที่สุดก็ไปกล่าวถึงเหตุที่ก่อให้เกิดผลในลักษณะนั้นต้งฟังทงั้งหลาย ใต้ร่มระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโ ด, ดยทั่วกันสวัสดี